ได้ที่นั่ง้ะยางได้ที่นั่งแล้วก็เงียบได้ที่นั่งแล้วเงีย บ, น, ยบนั่งภาวนาอะไม่มีเรื่องจำเป็นต้องได้คุยกันนั่งเงียบเงียบนั่งภาวนาภาวนาอุทิศ ส, ส่วนบุญให้ในหลวง เสียงเอตโลฟังอะไรไม่ออกบอกลูกบอกหลานด้วยบอกด้วยบอกด้วยนั่งภาวนาแข่งกับหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อทองเนี่ยเห็นไหมนี่วันนี้แน่นชลาวันนี้แล้ววันนี้จะแจกทุนนักเรียนด้วยวันนี้เนี่ยตอนนี้ก็เจ็ดโงยังไม่ครึ่ง เงียบเงียบเงียบจนมิดอิงเตงคนละบอแมนเงียบสซะหน่อยแล้วก็ขึ้นอีกขึ้ อ, ขอื่งเด้อบอแมนเด้อฮะอึงเวลาคนไปเยี่ยมมันได้ยินเสียงน้ํากระยุดสักพักหนึ่งพอเงียบ น, น้ำมาขึ้นอีกแล้วอึงอ่อึงมันตายเพราะปากอึงอ่ะอึงตายเพราะปากเออ มาใครมีผ้าจะนำพรรษาก็มารวมกันไว้เนี่เดี๋ยวพระใหญ่จะพาถวายจะพากล่าวคำถวายอา่าอดอดให้เงียบความดีแทนที่เราจะได้ห้าสิบหกสิบเปรเซนเราตั้งใจอดเงียบภาวนาโอ๊ยได้เต็มร้อยเลยทีนี้อาลูกหลานพากันตั้งใจนั่งภาวนาบุญเต็มร้อย ไม่ใช่เงียบเฉยๆนะภาวนานะไม่ใช่นั่งเงียบเฉยเนั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธบุญเต็มทั้งหมดเลยบุญมีเท่าไหร่เต็มมาหมดที่หัวใจของเราสักหน่อยหนึ่งอึ้งตึ้งบุญเต็ม คนเราดีที่ภาวนาทำให้กายสงบทำให้วาจารสงบใจสงบนี่ก็บินเป็นเรื่องของภาวนาฉลาดด้วยกิริยาของกายฉลาดด้วยกิริยาของวาจาร์คำพูดฉลาดด้วยกิริยาของใจการนึกคิดนี่ก็เป็นบุญเป็นเรื่องของบุญไม่ทำเอาไม่ได้ อะไรอะไรอะอาถวายก็ปัจัยก็เคยทํามันทําไมไม่ทําอ่ะไอ้ทิศเล็กมาทิศเล็กมาแจกวันนี้ไหนทิศเล็กทิดเล็กกับทิศต้นมานั่งคอยแจกทุนเด็กมาเอาเข้าวที่ข้าวที่เอาจัดข้าวอาจารย์ครูจัดข้าว นี่ น, นี่เราลุกออกซะหน่อยเด็กเขาจะมาตั้งแถวรับทุนตรงนี้ยี่สิบเจ็ดทุนห้าโรงเรียนเอาทิดเล็กกับทิด ต, ต้นมานั่งตรงนีเ้เด็กจัดเป็นแถวเป็นแถวหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าแถวเหรอวันนี้เป็นวันประวรณาออกพรรษาด้วย เป็นวันขนมข้าวต้มด้วยนะวันนี้นะและเป็นวันแจกทุนการศึกษาให้กับเด็กมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเป็นกําลังใจแก่เด็กนิดนิดหน่อยหน่อยด้วยซึ่งเราทํามาแล้วเป็นเก้าครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบอ่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบนี่เราก็เอาเด็กรุ่นใหม่ช่วยดูแลวัด ช่วยบำรุงวัดช่วยดูแลวัดดูแลพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยเนี่ยทิศเล็กกับทิศ ต, ต้นเนี่ยผู้เท่าเป็นผู้อุปถัมบำรุงเป็นหลักเป็นประธานเนี่ยที่เราเห็นนี่ก็นุ่นทิศเล็กทิศ ต, ต้นบวกที่นี่แหละไหนสู้เสียออนอนันเสียเสียเขาไม่ค่อยอยากเขามีหน้าเดียวก็พอแล้วเสียนะเขาไม่อยากมีหลายหน้า เราก็ทำเพื่อเกิดประโยชน์กับพวกเราแล้วก็เป็นวันที่เราไม่ลืมเลยนะเราติดตามฟังข่าวในหลวงไหมเราฟังแล้วเราน้ำตาไหลน้ำตาร่วงนะไม่ใช่ธรรมดาในหลวงท่านเป็นคนดีทีเดียว ด, ดีมากมฟังแล้วถึงอกถึงใจ ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่สูงสุดระดับประเทศท่านเป็นตัวอย่างในการถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามอย่างดีเยี่ยมทำประโยชน์เพื่อตนทำประโยชน์เพื่อคนของชาติเต็มไม่มีบกพร่องในหลวงเราฟังดูเถอะภรรารกิจของพระองค์นี่ไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยส่วนตนส่วนตัวแล้วเราก็ย้อนมาดูเรา เราตั้งอกตั้งใจใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามากน้อยเท่าไรโดยเฉพาะอย่างในพรรษาเนี่ยเราก็มีกิจกรรมให้ทำให้ดูให้ไปถือไปประพฤติไปปฏิบัติกันแล้วก็วันนี้เป็นวันออกพรรษาเนี่ยมีการปรวารณาแล้วก็ออกพรรษาพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเสร็จแล้วเราก็ถือวันสำคัญที่มารวมกันเยอะๆอย่างนี้มันไม่ให้มันเสียเวลามาหลายวันหลายครั้ง มาครั้งเดียวได้ประโยชน์หลายๆอย่างเนี่ยในวันระลึกถึงในหลวงด้วยแล้วก็ทุกคนตั้งใจทําความดีและอุทิศส่วนบุญถวายท่านกันแล้วกันแหละอืมตอนนี้ท่านสวรรคตรไปแล้วคําว่าสวรรคตรคือไปสวรรค์ไปสู่ที่ดีไปสู่ที่เลิศที่ประเสริฐแต่ในหลวงของเรานี่ยท่านเป็นเป็นคนปฏิบัติธรรม คำพูดคำจาของท่านจึงเป็นอัตเป็นธรรมปิยความประพฤติของท่านเป็นที่เย็นอกเย็นใจสําหรับประสงนิกรเราไปฟังดูผลงานที่เขาเอามาเปิดเผยให้พวกเราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเป็นที่ถึงอกถึงใจจริงๆเนี่ยพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นประสงนิกร เป็นประสกนิกายเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยเป็นประสกนิกายด้วยที่พระองค์ทรงดีเยี่ยมดีเลิศเพราะพระองค์เป็นพุทธมามกะคาว่าพุทธมามกะนี่มีเครื่องไม้เครื่องมือเต็มพร้อมเอาไปถือประพฤติตามนั้นปฏิบัติตามนั้นนี่จะ ก, กลายเป็นคนที่ดีจะ ก, กลายเป็นคนที่ดีเลิศเพราะอะไรเพราะพระศาสนาเนสอนให้เรารักษากายกรรมของเราให้สุจริตไว้จีกรรมของเราให้สุจริต มนโนกรรมของเราให้สุดจริตไม่ใช่ทุตจริตไอ้สุดจริตกับทุจริตมันจะมาด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านจึงมีคําสอนที่จิ้มกันเลยแหละเช่นอย่างพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ชนะความชั่วด้วยความดีเนี่ยตรงไหมเราฟังดูแล้วก็มันก็เชยไม่ใช่ไม่ใช่เชยนะให้ชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธนี่คือพุทธเจ้าท่านสอนอืม ธรรมะที่ในหลวงท่านเอามาสอนพวกเราสัจจะธรรมขันติจาคะเนี่ยถือว่าเป็นธรรมอธิฐานธรรมที่เราควรตั้งเอาไว้ในใจสัจจะเป็นคนสัต์ซื่อเป็นคนซื่อสัต์เป็นคนสัต์ซื่อสัจจะนั่นแหละสัตยะสัต์ซื่อสัตยะมันแผลงออกมาเป็นภาษาสันสกฤตแล้วมันเป็นสัตยะแท้ที่จริงมันก็มาจากสัจจะ ภาษาบาลีสัจจสัตย ะ, ตยะมันเป็นสันสกฤตนะสัจจสัตยาคือสัจซื่อความตรงไปตรงมาความเป็นผู้มีสัต์ซื่อมีความสัต์ซื่อคือซื่อตรงธรรมะกินด้วยความซื่อตรงสุดจริตด้วยกายกรรมด้วยวจีกรรมด้วยมโนกรรมและก็สิ่งที่ตามมาเราไม่ต้องห่วงถ้าเราสุดจริตตามนี้เราไม่ต้องมี เหตุเพศภัยร re really anyway. right ้ายแรงอะไรมาตามรบเร้าหัวใจของเราเพราะเราทําแต่สิ่งที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องเราไม่ไปไปยุ่งกับเรื่องที่ร้อนแรงรบเร้าหัวใจของเราให้ร้อนระอุไปหมดไม่มีมีแต่ความชุ่มเย็นมีความสั่งมีความซื่อนอกจากมีความสัต่์ซื่อข้างนอกแล้วนอกจากซื่อตรงข้างนอกกับคนนั้นกับคนนี้กับงานกับการกับอาชีพกับหน้าที่กับอะไรต่ออะไรของเราแล้วยังมีการสัต่์ซื่อซื่อสัต่์กับสัจจะ พยายามศึกษาค้นคว้าให้เห็นสัจจะสัจธรรมสัจธรรมพวกเราเกิดลุกอยู่บนโลกพวกเราเป็นผู้แบกหามกองสัจธรรมแต่เราไม่รู้สัจธรรมหรือเมื่อเราไม่รู้สัจธรรมสัจสัจธรรมที่เป็นฝ่ายต่ํามันก็เหยียบย่ำหัวใจของเราสัจธรรมที่เป็นฝ่ายต่ําก็คือสมุทัยนั่นแหละนะสมุทัยยศาสตร์ไปดูที่สมุทัยยศสตร์นั่นคือสัจธรรมฝ่ายต่ําแต่ถ้าเรารู้สัจจะ สัจธรรมที่แท้จริงเราจะต้องเรียนตามทางที่พระพุทธเจ้าสั่งมอบไว้ที่จะเรียกว่ามรรคข้อปฏิบัติพูดไปแล้วก็คือเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแนะ่ต้องจะต้องทําเอาเท่านั้นนึกเอาคิดเอาเฉยเฉยไม่ได้ต้องทําเอาเพราะฉะนั้นกรรมฐานกรรมฐานที่ท่านพูดเอาไว้วัดป่าเราเป็นวัดกรรมฐานมาทํางานที่ให้สําเร็จด้วยใจ งานที่เราให้สําเร็จด้วยใจก็เป็นไปตามแนวตามแถวที่พระพุทธเจ้าท่านสงวางเอาไว้อีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระในหลวงท่านมักจะเอามาสอนสัจะธรรมะขันติจาคะเป็นธรรมที่ทุกคนควรตั้งเอาไว้ในใจเหมือนธรรอยู่ปากคอกเลยเหมือนกับเป็นสัตว์ที่อยู่ปากคออกสัตว์ที่อยู่ปากคอกพอเปิดคอกพับอพอแสดงกิริยากา ย, ย, าายกิริยาวิจากิริยาใจพับ ออกทันทีอธิษฐานธรรมนี่ออกทันทีเหมือนควายเหมือนอัวที่มันอยู่ปากค้องนะอ่ะฮะไอตัวไหนที่มันอยู่ปากคล้องแสดงมันอยากออกแล้วมันอยากออกในหลวง ท, าาท่านเอาอธิษฐานธรรมเนี่ยมาให้พวกเรากํากับไว้ที่ใจนะพอเปิดค้องปั๊บปัป๊บออกก่อนหมู่เลยเนี่นะคือความดีมันออกก่อนไปเลยความดีมันทับถมความเลวทับถมความชั่ว ทัสอนให้เรามีสัจจะแท้ที่จริงก็ธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นแหละสัจจะถ้าเราเรียนะละเอียดลึกไปถึงนูน้นหลักของอริยสัจทั้งสี่ด้วยแล้วทำให้เราได้อัดได้ทมได้มักได้ผลอัดทมามักผลสำคัญยังไงทำให้เรารู้จักตัวเองทำให้เรารู้ข้อปฏิบัติเพื่อสงบระงับจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมีข้อปฏิบัติที่เป็นทางดาเนินเป็นมักเป็นทางดาเนิน เพราะฉั้นสัจจะจึงเป็นของที่เอียดเป็นของที่กว้างขวางนับตั้งแต่การสัต์ซื่อด้วยการทำมหาคินซื่อสัตว์ด้วยกายสุจริตวิจีสุจริตมโนสุจริตแล้วยังเป็นการศึกษาค้นคว้าไปจนถึงหลักสัจะธรรมหลักสัจธรรมดูมาที่ใจของเราดูมาที่กายของเราดูไปที่สัจธรรมที่มันพาเรายึดกายมันพาเรารุดเรายึดใจ เดี๋ยวนี้เราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะเรามีกายเรามีใจในเมื่อเรามีกายเรามีใจแล้วหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสามเด้อ้าวพ่อกับแม่บวกกันก็มีลูกคนหนึ่งก็เป็นสามมีลูกอีกคนหนึ่งก็เป็นสี่ด้วยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสามหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสี่นุ่นในเมื่อในเมื่อเรามีกายเรามีวาจาเรามีกายกายและเรามีใจ อ่าเราจะต้องมารับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ไม่อย่างนั้นสิ่งเหล่านี้ก็พาทุกพาโทษพายึดพาถือท่านสอนให้เรารู้จักกายรู้จักใจรู้จักกิเลสนะตัณหาในหัวใจเพื่อที่จะละสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์เนี่ยใครจะเมตตาปราณีเท่ากับพระพุทธเจ้าของเรายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่มีอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละไฟอันนี้แหละไฟอันนี้แหละเหตุอันนี้แหละไฟอันนี้แหละรุ่นฟืนที่ก่อให้เกิดไฟดึงออกดึงออกดึงออกดึงออกพระพุทธเจ้าท่สอนให้ดึงออก มีศาสดาที่ไหนสอนให้ดึงออกสอนให้ดูถึงหลักสัจธรรมถึงถึงหลักขั้นลึกไปถึงจิตอา่อาอ่าไปถึงสมุทยัยตันหาทั้งหลายทั้งปวงที่มันเต็มแปร่อ ย, อยู่ในหัวใจของเรานะ่ะท่านสอนให้เราศึกษาเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วก็ตั้งใจฝึกฝนตั้งใจอบรมตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญาพ้นพลกตพลกผลงมาได้มรดกได้ผลได้อดัดได้ทำ ที่เรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทธรรมหรือนิโรดนิโรดคือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงมันดับไปพวกเรามันเข็ดลาบกับความทุกข์กับกองทุกข์เวลาความทุกข์มันผันอยู่ในหัวใจดูที่ทุกข์เร่าร้อนขนาดไหนทุกข์เสียหน้าเสียตาทุกขไม่มีเกียรติทุกข์ไม่มียศทุกข์ไม่มีอยู่ทุกข์ไม่มีกินทุกข์ไม่มีงานไม่มีการทุกข์น้อยเนื้อต่ำใจสารพัดถูกทุกข์เขาเหยียบย่ําทําลายทุกข์บูสารพัด ที่มันมารุมมารบมาเล่าในหัวใจทุกเกิดจังจังตรงๆงก็มีทุ ก, ท ก, ทกคิดทุกคิดคดนึกนึกคาดคาดเดาเดาแล้วก็ยึดเอามาเป็นกองทุกก็มีทุกจากการที่เราถือมั่นด้วยอุปาทานในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จะเรียกว่าขันอันนี้เป็นหลักใหญ่เป็นกองใหญ่กองทุกเป็นกองใหญ่เพราะฉะนั้นเราถึงหลักสัจจะที่ในหลวงท่านสอนนั้มันกระจายทั้งเรื่อง ทั้งคดีโลกทั้งคดีธรรมลึกๆก็ไปถึงเรื่องของมรรคของผลของนิพพานะเป็นเรื่องที่สาคัญมากไปศึกษาละเอียดแล้วมันจะลุกลามไปเรื่อยสัจจะธรรมะคือข่มใจพอเราต้องการสัจจะปั๊บเราต้องข่มใจเอาไว้มันจะพาเราบิดเราเบี้ยวข่มเอาไว้พาเราทุจริตพาเราขาดความซื่อสัตย์สุดจริตมันจะพาเราทุดจริตแล้วนะ่ะข่มเอาไว้ข่มอะไร ข่มกายข่มวาจาไม่แสดงออกมาทางกายทางวาจาแล้วก็ข่มที่ใจการข่มนั่นแหละมันเป็นการข่มกิเลสไม่ให้ราคะโทสะความโกรธความเกลียดความเครียดแค้นอิจฉาทิสยามันโผล่มาทางกายทางวาจาโผล่มาทางกายไปชกไปต่อยไปตีไปฆ่าไปแกงโผล่มาทางวาจาไปดา่าไปทอกันเนี่ยดูซิสิ่งเหล่านี้ก่อกองทุกกองโทษเข้ามา ท่านท่านจึงให้ดูให้พิจารณามาที่เรื่องเหล่านี้อันนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดกองทุกเนี่ยตัวที่มันร้ายกาจอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยเพื่อที่จะเข็ดเพื่อที่จะหลาบเพื่อที่จะเห็นสัตจ ะ, ะสัจจะอย่างแท้จริงต้องธรรมะต้องข่มต้องอดสัจจะธรรมะขันติต้องอ ด, ต, ต, ต, องอดต้องทนอีกอดทนอย่างยิ่งก็คือค อ, อดทนเจ็บใจอดทนต่อหนาวต่อร้อนต่อแดด อันนี้เรายังเอาเกณฑ์เป็นเกณฑ์เป็นประมาณไม่ได้บางคนอดทนต่อหนาวต่อร้อนต่อแดดเก่งแต่อดทนต่อความเจ็บใจไม่เก่งอ่าพูดพิดหูแป๊บเดียวนาะหมุนเตี้ยวเป็นฟืนเป็นไฟเลยน่าเพราฉะอดทนต่อหนาวต่อร้อนต่อแดดอดทนต่องานหนักงานเบาอันนี้ยังเพื่นพื้นธรรมดาแต่การอดทนต่อการเจ็บใจนั้นน่ะพระที่เจ้าชั้นทรงตรัสว่าอธิวาชนะขันติ คืออดทนต่อความเจ็บใจเป็นการอดทนอย่างยวดยิ่งยวดและเป็นการอดทนข่มตันหาแม่้มันโผล่ขึ้นมาถึงหัวใจของเราขันติคือความปวดความทนความติขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราศขันติขันติเป็นเครื่องประดับของนักปราศขันติธีรศรลังกาโรขันติ ตโพตปัดซีโนขันติเป็นตะปะอย่างยิ่งอ่าคือความอดความทนความทนเผาแผดเผากิเลสในหัวใจของเราสัจจธะธรรมขันติจาระฆาจากนั้นแล้วก็มีจาคะจาระฆานี่ก็กว้างอีกเหมือนกันนะจาระฆาในที่นี้เนี่ยกว้างเหมือนกับสัจจะนั่นแหละจาระฆารวมไปถึงการบริจาคทานสิ่งของ รวมไปถึงการบริจาคอารมณ์ที่เป็นค่าสึกกับความจริงใจเช่นอยางอารมณ์ของความโลภความโกรธความรุ่มหลงเสียสละอารมณ์เหล่านั้นเสียสละอารมณ์ที่เป็นเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับความใคร่เกี่ยวกับความเห็นแก่ตัวเสียสละทั้งหมดอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับทําผิดยอมรับผิดทําถูกยอมรับถูกคนเราเมื่อเรายอมรับผิดเรายอมรับถูก แล้วจิตของเราก็จะสงบนิ่งถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยมันดันเว่าเราผิดเราไม่ยอมรับดันทุรังอยู่นั่นแหละหละไม่ยอมรับตัวเองทําผิดจริงอ่ะแต่ไม่ยอมรับนี่คือไม่ยอมรับผิดถ้ายอมรับผิดเราก็สงบอยู่นิ่งเส็จแล้วเราก็สํารวมระมัดระวังเพื่อที่จะเจัดลาบแล้วก็จะไม่ทําไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติแบบนั้นต่อไปเพราะเป็นเหตุเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นโทษนี่คือยอมรับยอมรับตามที่ยอมรับ ตามที่ภาวะสิ่งเหล่านี้จะพึงมีพึงเป็นคําว่าถูกอคาว่าดีคำว่าถูกคำว่าถูกแต่เราไปทําให้ดีนะทําไม่ถูกนะทําไมคาว่าเราทําถูกรู้อยู่ว่าเจ้าของเป็นคนไปทําผิดทําไม่ถูกแต่ด้วยเหตุที่คนว่าเนี่ยว่าไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องก็ว่าเราเนี่ยถูกเราไม่ผิดพร้อยดีใจไปกับเขาแน่ไม่ยอมรับว่าเจ้าของผิดไม่ยอมรับว่าเจ้าของถูก เพราะฉะนั้นสัจะตัวนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญจาคะตัวนี้กิเลสที่มันจะแทรกเข้ามาเราจะต้องเสียสละเราจะต้องบริจาคเสียสละกิริยาความประพฤติเลวทามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเสียสละความคําพูดหยาบคายเสียสละความกริ้วโกรธโมโหโทโสร้ายกาดออกมาทางกิริยาของกายของวายจาเสียสละทั้งหมด สัจจะธรรมะขันติจาคะนี่ท่านถือว่าเป็นธรรมะปากคอกที่ให้พวกเราเอามาถือเป็นธรรมะที่ตั้งเอาไว้ในใจมีสัจจะแล้วก็มีธรรมะธรรมะนี้คือเป็นธรรมะธรรมะทอตหานมอม้าเป็นธรรมะไม่ใช่ธรรมะนะเป็นธรรมะธรรมะแปลว่าความข่มใจแท้ที่จริงข่มใจก็คือข่มกิเลสในใจนั่นแหละมันไม่ใช่ไปข่มใจโดยเหตุที่ใจของเราทุกคนไม่บริสุทธิ์ มันมีกิเลแสแทรกอยู่ในนั้นเวลามันมีพิษสงแสดงออกมามันก็แสดงออกมาพิษสงของกิเลสพิษสงของกิเลสมันแสดงออกมาเราไม่รู้เราต้องศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมเอาธรรมะข่มอดเข้าไปทนเข้าไปด่าโคตรพ่อโคตรแม่มันเข้าไปไม่งั้นมันจะมาเล่นงานเรามาทําร้ายหัวใจของเราทําได้อย่างนี้เราก็จะค่อยมีสติดีมีปัญญาดีมีความรอบรู้ดี รู้จักเหตุเพื่อความทุกข์รู้จักเหตุเพื่อความสุขอย่างแท้จริงแล้วเราถือตามได้ประพฤติตามได้ปฏิบัติตามได้เราอยากคิดว่าเราศักดิ์ทว่าเป็นคนมีอยู่มีกินมีใช้มีสอยมีนุน้นมีนี้แล้วก็สะดวกสบายเราก็ว่าเราสมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ความประพฤติของเราเราจะต้องศึกษาเราจะต้องตั้งตนเป็นคนดีเป็นคนดีไปจนถึงที่สุดที่สุดหมายถึงนุ่นได้มรรคได้ผลได้นิพพานละความโลภความโกรธ ความหลงออกจากหวยใจได้นั่นคือความดีภาชนะของเรายังพร่องอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องไม่ขี้เกียจไม่ขี้คร้านที่จะทําบุญที่จะให้ทานหนทางในการทําความดีก็คือมีการให้ทานเสียสละเข้าไปมีการตั้งใจรักษาสินงดเว้นไปทีสินห้าสิลแปดอ่าสิลสิบสินสองอยี่สิบเจดเราก็ตั้งใจงดเข้าไปเพราะการตั้งใจงดตั้งใจรักษาศินนั้นมันเป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขเป็นเหตุนํามาซึ่งบุญ ปิดช่องปิดรูของกิเลสที่มันจะแทรกะขมันหัวใจของเรายกตัวอย่างแค่ศีลห้าเนี่แหละอ่าหน้าในภาษานี่เราภาสมาทานศีลแปดอ่าล้วภ า, าสมาทานศีลแปดเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ออกจากวัดไปแล้วก็ทิ้งวัดที่วัดแล้วอ่าออก ไ, ไท้ทิ้งไว้ที่วัดออกจากวัดไปแล้วก็ไปทําเหมือนเดิมเวลาเข้าวัดค่อยสมาทานวันหนึ่งคืนหนึ่ง มันได้ยูแต่มันได้น้อยเหลือเกินะถ้าไปถือประพุทธปฏิบัติตลอดระยะเวลาเนี่ยมันก็จะได้ผลมากได้อา น, นิสงส์มากอแค่รักษาสี่ห้าเราตั้งใจกดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดผิดในกามไม่พูดเท็จพูดยาพูดซสอเสียดพูดพลอยเจอไม่ดื่มสุราเมรัยแค่นี้ก็เป็นเหตุว่าเราจะต้องงดเราจะต้องวิรัตเราจะต้องอ ง, งดเราจะต้องเว้นการตั้งใจวิรัต การตั้งใจงดการตั้งใจเว้นทําให้เราเป็นคนดีคนดีคือคนมีบุญคนมีบุญก็คือความดีบุญบุญบุญแปลว่าความดีบุญยังปุญญะปุญยังภาษาบาลีบุญญะนี่ภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าความดีอะไรดีเราดูออกไหมกายดีวาจาดีใจดีพูดไปพูดมามันก็ไปพันอยู่ที่กายกรรมของเราดี วจีกรรมคำพูดของเราดีมโนกรรมของเราดีอันนี้คือบุญบุญบุญบุญคนนั้นมีบุญมากมีมาก ม, มายมาสารแต่คำพูดคำจาคำมองชงเชยอย่างนี้อย่างนี้นนแต่ว่าสําคัญแต่ว่ามีบุญมีบุญอะไรบุญก็ไม่รู้คิดว่าไอที่เราทําไปแล้วนะ่ะมันไปนลอยเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนคอยอยู่โอ้คนนั้นก้อนใหญ่กว่าคนนั้นก้อนโตกว่าไม่ใช่บุญก็คือกิริยาที่เอามากํากับที่กายของเราดีที่ไหวจา่าที่ใจของเราดี อันนี้คือบุญพเพรรู้จักด้วยมาทําบุญทุกครั้งมาทําบุญทุกวันคืออะไรเป็นบุญอะไรที่เป็นภาชนะเก็บบุญใจเป็นผู้มีเป็นภาชนะเก็บบุญคนใจไม่ดีไม่มีบุญภาชนะถ้าเป็นภาชนะกับภาชนะรั่วใส่อะไรไม่อยู่อภาชนะพาชนะทะลุภาชนะรั่วใจไม่ดีใจโกรธใจโกรธใจอิจฉาริษยาพยาบาท ใจเห็นแก่ตัวต้องมาศึกษามีการให้ทานมีการรักษาศินนี่คือคุณค่าของศินแค่เราตั้ง อ, อกตั้งใจศึกษาแค่นี้เราก็มีความสุขมีความชุ่มเย็นสีเลนะสุขติงยันติไปสู่สุขติได้ก็เพราะสินสีเลนะโพคะสัมปทาคนที่ไม่มีศินนี่มันเอาทรัพย์ไปถลงุงชิบหายวายพวงหมดนะทาลายโพคะของตัวเองคนที่มีศินไม่ทำลาย ไม่เป็นนักเลงเล่าไม่เป็นนักเลงการพนันเอาลองเล่าลองพนันมาเข้าดูยิ่งนักเลงผู้หญิงนักเลงพนันเข้ามาอีกหมดเลยไม่มีอะไรเหลือแหละอเที่ยวกลางคืนนักเลงเล่านักเลงพนันนักเลงพนันนักเลงพนันหมดบ้านก็หมดที่ดินก็หมดอะไรก็หมดร้ายกาศร้ายแรงกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ร้อยครั้งก็สู้ผีพนันเข้าสิงในหัวใจเราไม่ได้มีอะไรเช่นไรออกจะหมด ถ้าตัดมือตัดปีนขายได้น่าจะตัดขายได้มาเล่น <laughs> โอ้มันเป็นยอดของมหายาเสพติดนี่ตัวยาเสพติดที่ร้ายกาจที่สุดลองอซิลองเอากิริยาเหล่าเนี้ยอ่มาประพฤติตามมาปฏิบัติตามแล้วโผล่มันจะเหลือที่ไหนสมบัติจะเหลือที่ไหนเล่นการพานันกับหมดทรัพย์กินเหล้ากับหมดทรัพย์เที่ยวผู้หญิง เทียผู้ชายหาความสุขหาความสนุกไปตามเรื่องต้องใช้เงินทั้งนั้นทําไมเงินล่อต้องการสิ่งที่ที่ดีที่งามเพื่อถูกใจเพื่อให้สมใจเอาเงินไปล่อถ้าเป็นเรื่องไม่ไม่ถูกไม่ต้องตามศีลตามธรรมก็เป็นเหตุให้เสียโพคะสีเลนะโพคะสัมปทาเป็นพูดถึงพร้อมด้วยโพคะก็เพราะว่ามีศีลสีเลนะนี้ปุตติงยันติ มีศีลเนี่ยเป็นสะพานพาดพิงไปถึงมรรคถึงผลถึงนิพพานอาศัยศีลตัวนี้แหละอืมพาดพิงไปถึงมรรคไปถึงผลไปถึงนิพพานนี่คืออนิสงส์ของการรักษาศีลยิ่งเราตั้งใจภาวนาไปแล้วนะ่ะยิ่งดีเลิศบุญจะเกิดขึ้นที่หัวใจของเราอย่างดีเยี่ยมเลยแหละเพราะว่าคนเราจะดีมันก็ดีที่ใจคนเรามีใจดวงเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราลองเราไม่มีใจสักดวงดู มือนก็บโคนเสาต้นเสาต้นหนึ่งรู้เรื่องอะไรเหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเหตุที่เรามีใจดวงเดียวนี่แหละเราควรจิตศึกษารู้เข้าใจแล้วเอามาใช้เกิดประโยชน์ใช้มันคุ้มค่าใช้ชีวิตกายกรรมวิจิกรรมอันนี้อันนี้เป็นเป็นงานของใจใช้ผ่านกายใช้ผ่านวายจาแต่ใจมันเป็นตัวเป็นตัวกํากับดูแลงานเหล่านี้อยู่เป็นคน ควบคุมกรรมเต็มแปร่อยู่นี่แหละอทําไปแล้วไม่ล่วงไปไหนกรรมกายกรรมวิจิกรรมรร ม, มโนกรรมตกเป็นของเราทําไมกรรมทั้งหลายเหล่านี้จึงเป็นตกเป็นของเราก็เพราะใจมันเป็นคนทําอ่ำใจมันเป็นคนสร้างเหตุสร้างเหตุเหตุเกิดตรงไหนผลก็จะไปปรากฏตรงนั้นเหตุเกิดตรงไหนผลไปปรากฏตรงนั้นใจของท่านทําบุญท่านก็ได้บุญไปใจของท่านทําบาปท่านก็ได้บาปไปอ่า เวลาบาปมันให้โทษให้บาปให้กรรมนู่นมุดไปอยู่ในก้นใต้ก้นบึ้งของทะเลมหาสมุทรนะ่ะกรรมมันก็ตามเห็นกรรมมันก็ตามไปเห็นทําไมกรรมมันมันถึงถามไปได้โน้นไปอยู่ลึกๆไม่มีใครเห็นนะ่ะอยู่ใต้ก้นมหาสมุทรน่ะกรรมมันก็ตามไปเล่นงานได้ทําไมกรรมมันจะตามไปเล่นงานไม่ได้เพราะผู้นั้นเองเป็นผู้ทํากรรมต้นเหตุมันเกิดจากตรงนั้นผลมันก็จะต้องไปปรากฏตรงนั้นให้เราเข้าใจอย่างนี้ เพราะฉะนั้นที่รับที่แจ้งไม่มีถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้นี่เป็นเรื่องของธรรมถ้าหากเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้ที่แจ้งก็รู้สึกมีความละอายที่รับไม่มีความละอายขาดความละอายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าเรามีความละอายแก่ใจของเราเองชนะความละอายทั้งปวงในโลกชนะความละอายหลายคนนั้นอายคนนี้ลายคนหมดทั้งชาลานี่ลายหมดคนทั้งหมู่บ้านเนี่ย สู้เราละอายแก่ใจของเราไม่ได้เราไม่กล้าแสดงมีความละอายมีความเกรงกลัวละอายไม่กล้าที่จะทํากรรมชั่วเหล่านั้นมีความเกรงกลัวกลัวผลบาปผลกรรมจากการกระทําเหล่านั้นนี่ฮิริโอตปะเป็นคุณธรรมที่เราควรมีใครมีเป็นเทวดาเดินดินเดียวนี้แหละใครมีคุณธรรมฮิริโอตปะเป็นเทวดาดีๆเดินดิน คือเรานี่เองเป็นเทวดาโอ้หนีละนี่เรานี่แหละเรานี่แหละเป็นเทวดาลองตั้งตนเป็นผู้มีคริมีโอตปะลองดูอืมเราจะเป็นผู้เป็นเทวดาเดินดินเราเ น, นี่มีความสุขมีความสบายคนเราไม่กล้าทาชั่วแล้วอ่าใจของเรามันหักห้ามมันเองมันอดมันข่มได้แต่ถ้าไม่มีแล้วอดไม่ได้ล่ะละายคนนั้นลายคนนี้รับหลังเอาแน่เลวซามขนาดไหนก็เอา ว่าแต่ไม่มีใครเห็นน่ะเรียวสร้างขนาดไหนก็เอาเจ้าของเห็นช่างมันแน่แต่ธรรมะของผู้เจ้าละเอียดมากมีความละอายแก่ใจของตัวเองฟังดูดีละอายแก่ใจของตัวเองคนเราจะรักษาตรงนี้ได้เป็นคนดีเป็นคนดีสิ่งตามามีความสุขมีความเจริญทุกเจ็บทุกป่วยทุกปวดทุกไข้ทุกอันนี้มันเป็นสภาวะทุกใครก็มีใครก็เป็น เป็นเจ้าฟ้ามหกษศาสตร์เป็นจอมจักรพัทเท่าไหร่แม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ต้องตกอยู่ในภาวะของอันนี้ซึ่งใครก็หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจปรากฏอยู่ที่ใจพ้นทุกพ้นโทษที่ใจอันนี้คือหนทางประพฤติหนทางปฏิบัติวันนี้พวกเราลูกหลานนักเรียนสี่ห้าโรงเรียนน้องวงคีน้องอ้อนนท์ราญ นอนไหว้ด้วยบปฮ่นอนไหวแล้วก็น้องวิศพิทยาคมสี่ห้าโรงเรียนนี่น้องวิศวพิทยาคมนี้หกหกนักเรียนหกคนเจ็ดคนนอกนั้นโรงเรียนละห้าห้าห้าห้าคนรวมเป็นยี่สิบเจ็ดห้าโรงเรียนยี่สิบเจ็ดพอนักเรียนมาพ่อก็มาผู้ปกครองก็มา ครูอาจารย์ตามโรงเรียนนั้นๆก็มาเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องก็มาถ้าเราจะคิดว่าเออเราคนเดียวเราเข้ามาวัดเออพ่อเราก็ามาแม่เราก็มาเ อ, อเพื่อนเราก็มาญาติเราคนนั้นคนนี้ก็ามาเห็นไหมเกิดประโยชน์ไหมเราคนเดียวเด็กนักเรียนเนี่ยหนูเนี่ยคนเดียวเนี่ยเรามาวัดคนเดียวมามารับทุนที่วัดเนี่ยเป็นการดึงพ่อดึงแม่เข้ามาวัดเห็นไหม เข้ามาวัดเป็นบุญยสถานเป็นที่สร้างบุญเป็นที่ทําบุญบุญข้างในมันเป็นทรัพย์ภายในเราไปปา ก, กตะเตรีบแสวงหาแต่ซับภายนอกแต่เราไม่ส่งเสริมทรับภายในสแสวงหาฟืดเครืองสแสวงหายากลําบากแต่ถ้าเรามีทรับภายในมากมายดีดีดรัพย์ภายนอกมันก็พลอยสะดวกสบายสบายไหลลื่นเพราะทรับภายในมันเป็นตัวดึงดูดทรัพย์ภายนอก มันมันตัวมันเป็นตัวแปรให้เกิดทรัพย์ภายนอกคือคนมีบุญคนมีบุญเขาเพรั่งพร้อมหมดทุกอย่าง <c oughs> เขามีทรัพย์ภายในอันนี้ก็ง่ายอันนี้ก็ง่ายอันนี้ก็ได้สิ่งไม่ควรได้ก็ได้ไอ้เราไม่เคยสนใจเรื่องทรัพย์ภายในไม่เคยสนใจเรื่องบุญปากรีดทีบทําไม่หยุดไม่ย่อนโอ้ไม่อะไจะได้ม่อะไรจะรวยมไม่ได้เป็นสักทีไม่เป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งใจทําให้ใจของเรา ด, ดีมีบุญใจมีบุญคือใจดี ทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งปวงมันก็พลอยเป็นพลอยเป็นแม่เหล็กดึงดูดทําให้เราได้รับความสะดวกสบายเสร็จแล้วก็ความสุขความเจริญความสุขกายสบายใจสําคัญที่สุดในหัวใจของเราเราจะคิดว่าจะคิดว่ามีความสําคัญแต่ทรัพย์การสบายใจสําคัญที่สุดไม่เชื่อเราลอบอยากได้ทรัพย์อยากรวยอยากรวยอยากรวยมีอะไรอยู่ใกล้ๆมีกองทรัพย์ ของหลวงของอะไรอยู่ใกล้ๆก้ยเอาก้ยเอากยเอาแน่ใจทุกแล้วใจเดือดร้อนแล้วกลัวเขารูก้กลัวเขาเห็นกลัวเขาจับได้กลัวเขาไล่ออกไล่หนีสารพัดทุกและท่านเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่เคยให้ความสําคัญคุณมีทรัพย์เท่ากองเท่าภูเขาแต่คุณไม่มีความสุขจะเกิดประโยชน์อะไรกับทรัพย์สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นฟืนเป็นไฟมาเผาใจของเราให้ ร, ร่าเริงพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญที่ความสุข โดยเฉพาะท่านมาดูเรามาดูพระเจ้าประสงค์กุบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์อยู่ป่าอยู่เขาบําเพ็ญเพียรอดยากลําบากกันดานอยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้ำหนุนแต่ท่านมีความสุขท่านไม่ได้ไม่มยุ่งมาเกี่ยวกับทรัพย์กับสิ่งกับอะไรเหล่านี้ท่านสามารถตัดเหตุให้เกิดความทุกข์อยู่ข้างในลึกๆ ล, ล, ละเอียดได้ผู้ทีเจ้าท่านให้ความสําคัญแต่ถ้าเรามีบุญมีกองทรัพย์มากมายมหาศาล จิตใจของเราก็เป็นบุญเป็นกุศลมีความสุขอย่างล้นเหลือโอ้อันนี้เป็นประเภทค น, นที่ชั้นเยี่ยมชั้นอัจฉริยะคนอัจฉริยะมนุษย์นี่คือเราต้องการอย่างนี้ด้วยการทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจตั้งอกตั้งใจทําเอาอ่าอ่าวันนี้นักเรียนรับไปเหลือกี่เทอมฮะเทอมนี้เหลือ ก, กี่ครั้งเทอมนี้เหลือ ก, กี่ครั้งเห ล, ลือเหลืออีกสามครั้ง อ่านี่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเหรอแล้วอีกกี่ครั้งอ่านี่เรานี่ก็ใจเราเริ่มทํามาตั้งแต่มกราเนี่ยอะเป็นเก้าครั้งเป็นสิบครั้งครั้งนี้แล้วอีกสองครั้งก็หมดปีหมดปีหนึ่งก็ถือว่าสองเทอมเหรออ่าแล้วอีกสองเดือนตุลาพฤศจิกาธันวา ตุลาพฤกษกาทันวาอันนี้ก็เป็นการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีกําลังใจส่งเสริมจิตใจของพ่อของแม่ของผู้ปกครองของครูของอาจารย์และวก็ที่เกิดประโยชน์ที่สุดก็คือเกิดประโยชน์ดังที่พูดธรรมะให้ฟังนี่แหละมีธรรมะลึกธรรมะตื้นไปฟังไปตีความไปทําความเข้าใจฝึกเอาอบรมเอาถือเอาประพฤติตามให้สมภาคสมภูมิความเป็นมนุษย์ มันจะคู่ควรที่สุดแล้วันวันนี้ก็วันสําคัญวันปวารณานะปะวารณาพระริเจ้ า, าท่านให้ประสงค์ในปวารณากันวันนี้วารนาคือปกติจะเป็นวันสวดปฏิโมกแต่ท่านไม่ให้สวดท่านให้ปวารณาสักคมพันเตปวารเรมิขอปวารณ า, ร า, า, าผู้อาวุโสก็ปวารณากับผู้พันเตผู้พันเตก็ปวารณากับอาวุโส พอวารณาหมายความว่ายอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้อันนี้พวกเราเป็นกราวาชาวบ้านเอาไปถือไปปฏิบัติตามได้โดยเฉพาะในครอบครัวในครัวเรือนของเราเรายอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้อ่ามันจะเป็นตาเพิ่มขึ้นอีกสองตาสมมุตินในบ้านของเรามีสี่คนเนี้ยกี่คนอนะ่ะสี่คนอนะ่ะแปดตาแปดตาได้ช่วยดูเรานะ่ะผิดถูกแล้วยังมาสําคัญแต่ว่าเรา ดีเราเยี่ยมเราเก่งกว่าไม่ยอมให้ใครบอกให้ใครว่าความพลาดความถลําความเสียหายมันมีจนได้เพราะฉะนั้นควรอันนั้นไม่ควรอันนั้นเหมาะอันนั้นไม่เหมาะอันนั้นถูกอันนั้นผิดให้รู้จักบอกให้กล่าวให้ตักเตือนกันได้ผู้บอกก็เมตตาบอกผู้ฟังก็เมตตาเอาไปปรับปรุงพิจารณาแล้วก็ใช้เกิดประโยชน์เนี่ยนี่คือประโยชน์ที่พุทธิจารย์ท่านมองเห็นมองเห็นทะลุหมดอันนี้คือเหตุที่ ปราดระดับพระพุทธเจ้ามาสอนพวกเราให้พวกเราประวารณากันยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนกันแต่ต้องต้องเป็นไปโดยทำรรนะถ้าแกล้แงแกล้งนี่ไม่ได้แกล้งก็ถือว่าผิดศีลผิดธรรมแหละแกล้งว่ากล่าวตักเตือนกันเนี่ยจนเป็นเหตุเขารําคาญกันไหนกูว่าว่ามันเสียหายว่ามันรําคาญฮะว่ามันเครียดนีว่าด้วยการตั้งใจเมตตา เพเขาจะได้เอาไปปรับปรุงไปแก้ไขให้เกิดประโยชน์นี่พระพุทธเจ้าท่านให้ปวารณาแล้วก็ออกปรรษาการปรวารณาและแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวันออกปรรษาคือท่านใช้คําว่าปวารณาออกพรรษาปกติพระท่า น, นจะจำพรรษาสมเดือนอยู่มาครบสมเดือนแล้วปวารณาเสร็จแล้วก็มีอันนี้สองจำพรรษาที่เรียกว่าผ้าจํานำพรรษาอันนี้สอยจากการจําพรรษารับ พราจะนำพรรษาได้จากนั้นแล้วสมมติเราไปรับกรถิ่นเราก็มีอันนิสงกรถิ่นอีกอันนี้กระสงอันนี้สงเหล่านี้เป็นอั น, นิสงของพระแต่เราพวกเราก็เป็นทั้งทานบุคคลทานสงสังฆทานทานสง์บุคลิกทานทานส่วนบุคคลเราไปถวายกระถิ่มันก็เป็นเรื่องของสังฆทานถวายทําบุญให้ทานธรรมดาไปประจำวันทุกวันกัก็เป็นทานทานบุคคลทานสง์ ทานอะไรก็ตามแต่มันมารวมกันอยู่ที่ใจของเราทานมากทานน้อยทานหนักทานเบาทานอยู่เรื่อยๆทานอยู่บ่อยๆพานชนะของเราก็จะเริ่มตื้นเขินขึ้นมาอัอนุ้ก็เต็มอันนี้ก็เต็มอันนีก็เต็มเป็นคนไม่อดไม่อยากทรัพย์สมบัติไปในใจของเราอืเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็อาไปปรับปรุงไปแก้ไขอใช้สอยให้เกิดประโยชน์นะถือตามประพฤติตามปฏิบัติตามและระยะนี้ไปจากนี้หนึ่งปี ถือว่าเป็นวันไหวทุกในหลวงอ่าเป็นการไหวทุกในหลวงคํ า, าว่าไหวทุกก็คือเราไม่แสดงกิริยารื่นเริงเพลดิดเพลินจนเกินเหตุเกินผลอ่านึกคิดพิจารณาถึงเหตุถึงผลถึงคุณงามความดีที่พระองค์ทรงเป็นหลักให้กับชาติเพื่อพวกเราได้อยู่ได้กินยามทำทุกวิธี ท, ทางเพื่อที่จะให้พวกเราอยู่เย็นเป็นสุข ผมสั่งทรงทำจนสุดเรี่ยวสุดแรงของพระองค์แอ่ะมีผลงานมากมายมหาศาลมีโครงการที่ไปช่วยเหลือประชาชนประเทศชาติเนี่ยเป็นพันๆอย่างเป็นพันๆอย่างเราดูพฤติกรรมเหล่านี้แล้วเราก็น้อมนา ม, มาเป็นคติเป็นตัวอย่างถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามรู้รักสามคัคคีโถแค่นี้ก็มันไม่ธรรมดาเลยเศรษฐกิจพอเพียงดูที่ เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยให้รู้เราเรา ร, รู้รู้จักใช้สอยพอดีพอดีเช่นอย่างเรามีเงินเดือนแค่หมื่นหนึ่งเอ๊ไหนจะค่าอยูนันจะค่ากินไหนจะค่ารถไหนจะค่านุ่นไหนจะค่านี่ต้องใช้อย่างกระเมิดกระแม่พอดิบพอ ด, พอดีรู้จักหางานเสริมรู้จักหาไรายได้เสริมอย่างนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแต่เศรษฐกิจพอเพียงของชาวนาชาวไร่ชาวสวนท่านจึงให้มีแปลงสวนแปลงผัก แปลงข้าวอ่ามีสวนมีที่ทำเกษตรเกษตรพืชผักเกษตรปลาเงี้ยประมงอืมแล้วก็มีทอมีไหมมีอะไรแล้วแต่ท่านจะให้ให้แยกทำเพื่อให้ครบวงจรถ้าต้มเกลือเป็นก็ไปต้องเกลืออีกไม่ต้องซื้อเกลืออ่านี่เรื่องเหล่านี้โบราณชนบทบาร น, นอกเราเราสืบทอดกันมาโดยตลอดแต่ด้วยเหตุที่ประเทศ หลักวิชาความรู้มันเจิญไปอย่างรวดเร็วทําให้พวกเราเนี่ยติดบิโภคนิยมเดี๋ยวนี้ลูกหลานไม่ค่อยอยากอยู่บ้านแล้วพูดถึงไร่ไม่อยากสนใจแล้วพูดถึงนาไม่อยากสนใจขี้เกียจเกลีข่ขี้ตมขี้โคลนอะพอมีความรู้ปวสปวปวชปวสไปทํางานแล้วอได้แค่พออยู่พอกินไปเดือนเดือนหนึ่งก็เอาแล้วพราะไม่ให้สวนให้นาให้ไรอ่ะ ไม่ระมัดระวังเอาไปขายหมดเอาไปขายเอาไปถุงเอาไปทิ้งหมดมูลหมดหลกของพ่อของแม่มันเลยไม่อิสระเวลาทํางานได้แล้วก็พออยู่พอเป็นพอไปทํางานไม่ได้ก็ทุ ก, ท, กทุกนู่นทุกนี้ทุกไปทุกมาคือวู้นี่ยืมสินโอ้เป็นหนี้กันบานหัวโต น, นักเข้าไปไม่พน้นกลับมาบ้านกลับมาบ้านก็หมดนาก็หม ด, หมดที่ก็หมดบ้านก็หมดแล้วตกต่อยอะไรที่นี่นี่พวกเรา ขาดเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงในหลวงสอนให้รู้จักระมัดระวังรักษาอาชีพของตนสามารถทำอยู่ทำกินให้ครบวงจรพราะเราระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆบ่อยๆถือว่าเป็นการระลึกถึงบุญถึงคุณของท่านมันจะเกิดความสลดใจสังเวชใจคิดถึงท่านเห็นบุญเห็นคุณของท่านซึ่งใจสลดใจเขาพัฒนาคุณงามความดีอะไรออกมากัซึมน้าตาซึมตื้นตันหัวใจ ตื่นตันหัวใจไปกับคนที่ท่านมีคุณงามความดีเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าลืมนะจากระยะนี้ไปหนึ่งปีท่านถือว่าว่ายทุกว่ายทุกถือไปเท่าไหร่ถือคติตามไปได้มากเท่าไหร่ก็เป็นผลไปมากเท่านั้นอืเนี่ย น, นี่พวกเราไม่ควรลืมทั้งเด็กเล็กผู้ใหญ่ไม่ควรลืมถือตามพระพฤติตามปฏิบัติตามเพื่อความสุขความเจริญของเราด้วยกันทุกคนเอาต่อไปแจก แจกทุนแจกทุนเสร็จแล้วก็พ่อใหญ่พาไหวพ้ พ, วพระพาไหว้พระรับสินเสร็จแล้วเอเอาพาไหวพระรับสินแล้วก็ถวายไอไอไอไอไ อ, อจำนำภาษาเสร็จแล้วก็ให้พรรับพร อ, อ, อนักเรียนรับทุนนิดหน่อยเป็นกําลังใจสี่ร้อยห้ารอยบาทนี่นะะแต่ว่าเรามีโอกาสได้มามาอยู่ถ้ำกลางบรรยากาศอย่างนี้ถือว่าเป็นการ สร้างบุญสร้างบา ร, รมีไปสร้างสติสร้างปัญญาสร้างบุญสร้างบา ร, รมีแล้วเราก็อนุโมทนากับคณะสัทธาที่ที่ร่วมร่วมร่วมด้วยช่วยกันมาเนี่ยมันเนี่ยมีลูกศิษย์ที่เขาช่วยมาเยอะอยู่นั้นเนี่ยช่วย่วยทุนช่วยทุนเด็กนี่ขอให้เราใช้สอยทุนที่ให้นี้ให้เกิดประโยชน์นะอย่าเอาไปใช้ให้เกิดโทษกับตัวเอง พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ปกครองที่โรงเรียนครูอาจารย์ช่วยดูด้วยอพ่อแม่มีการสอบมีการถามมาเด็กเอาไปใช้ตรงเป้าประสงค์ที่เราจัดเราทํำไหมเดี๋ยวจะเอาไปทําให้เกิดโทษกับตัวเองมันเป็นเรื่องไม่มันเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องผิดเป้าประสงค์ท่านอันนี้ก็ถือเสียถือว่าเสียแล้วแหละท่านช่วยให้ดีแล้วแต่เราไม่เอาดีเราไม่รักดีนี่เราไม่มีใครช่วยเราได้แล้วตอนนี้อ่า เพราะฉะนั้นให้ให้ให้ใหระวังให้ช่วยดูช่วยดูด้วย อ, อตั้งใจรับสินหออ้าผู้เท่าผู้อยู่วัดเพื่อ ก, ก็รับสินแปดตั้งใจรักษา <c oughs> ตลอดทั้งปีไม่สําคัญว่าไหนพรรษานอกภรษาเมออื่อเราทานข้าวเราไม่เห็นในทั้งพรรษานอกพารษาเออหิวก็กินเหีวก็เกินหิวก็ทานหิ่ยวก็ทาน อ, อืม ใจมันหิวอยู่ทุกระยะทุกเวลาเหมือนกัน น, นอกภาษาไหนภาษาเราก็ตั้งใจให้ทานรักษาศินไปผู้ตั้งใจรักษาสินห้าก็รับสินห้ารักษาศินแปดก็รับสินแปดไป <c oughs> <c oughs> ผ้าจำนำบรรษานี้เป็นอนิสงส์ที่พระพุทธเจ้าท่านมอบให้กับพระที่ท่านจำบรรษาตลอดสามเดือนไตรมาสออกพรรษาแล้ว รับผ้าจํำนำภาษาได้อยู่ตั้งแต่ห้าองค์เป็นต้นไปรับกรถินได้อันนี้สองภาษาห้าอย่างได้รับกรถินอีกอันนี้สองกรถิ่นเพิ่มเข้ามาอีกคืออันนี้สองห้าเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันชืดเวลาไปอีกไปจนถึงกลางเดือนสี่ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นวัดกรรมฐานหลงตาท่านท่านให้ถวายเลยหรือว่าเข้าใจพระยนำภาษามาถวายเลยถวายเลย เดี๋ยวลูกหลานที่หลังไม่ได้ยินเอาเราก็เลยให้ว่าพุท่าวพาว่าพุท่าเนี่ก็าชักว่าว่ารุนรุดหายหายแล้วดูนะฝึกซ้อมเด้นั่นอ่ะคนที่มีแรงคนที่มีแห้งพยายามเก้าสิบเท่าไรแล้วเนี่ยเกิเก้าฮะ้้โอ้เก้าสิบเก้าแปดสิบเก้า็เท่าในหลวงอ่ะเนี่ย ตามกันทั่อาถ้าในหลวงอ่ะก่อนหรือหลังเพื่อนอ่ะพร้อมพร้อมกันครับอพร้อมในหลวงตัวนี้ในหลวงมนไปก่อนแล้วบารีเฮาคารวะหลวงปู่พ่นน้ำเนาะเละคารวะคารวะเาแลเหรอเออานะออกมาน่ะตอนนุ้น เอาเอาคิดได้แตเอาเอ่อเอ่อเออเอาเอาคุกเข่าอ่าอาภัมกันนะโมอินทัชตาปะคะวาโตอะระหะโตสมัยสมบูติจารนะโมอินทัชตาปะคะวาโต 阿拉หโตสัมมาสัมปุตตะสานะโมตัสสะปะคะวะโตอ拉หะโตสัมมาสัมป oh ุทตะสาเราบาปัตสงนะบ่เนี่ยสังเชปะาเดนาตะเจนักต mm. ังสัพพังอภปราทางกามตุโนพันเต สั s s ่งเคปามาธีนาทวารตะเยนกัตังสาพังอัระทากามตุโนพันเตสังเคปมาธีนาวารตะเยนกัตังสาพังอัระทากมตุโนพันเตกรรมชั่วใดที่พวกข่าพเจ้า ได้ประมาทพลาดพังล่วงเกินต่อครูบาอาจารย์ด้วยกายวาจาใจก็ดีต่อหน้าและรับหลังก็ดีจำได้หรือจะไม่ได้ก็ดีเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ดีขอให้ท่านผู้มีอุปราาคุณ โปรดอโหสิกรรมให้แก่พวกาข้าพเจ้าเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมต่อไปอี ก, ออกขอความสุขความเจริญปัดป่าจากโรคภัยไข้เจ็บ อ, ไไอันตรายใดๆ อ, อย่าได้มาใกล้ควมีโศกมีใส จงเกิดจงมีงกแก่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ต, นตลอดกาลนานเทินอต่ตอาตงคนต่างอโหสิกรรมให้ให้ยอมนะพระเราเอาต่างคนต่างอโหสิกรรมให้ยอมฟังเนื้อหาเข้าใจกันหมดแล้วต่างคนต่างอโหสิกรรม มันก็เป็นธรรมเนียมที่ดีการขอโทษขอกมาขออภัยแล้วก็ในเมื่อคนเห็นโทษเห็นภัยแล้วก็ามาขอกมาโทษขอกมาภัยแล้วก็คู่กรณีก็ต้องให้อภัยเราจะมีเวนมีภัยก็ตามไม่มีเวนมีภัยต่อกันก็ตามแต่เป็นธรรมเนียมที่ดีที่ที่ที่เรา ควรทําควรสืบเอาไว้มันเป็นมันเป็นเรื่องที่ฝังจิตฝังใจทําให้ลกูกให้หลานให้เหลนได้ยินได้ฟังแต่ถ้าหากเราล่วงเกินแล้วล่วงเกินอีกล่วงเกินแล้ ว, ล, ว, ล, วล่วงเกินอีกล่วงเกินครั้งหนึ่งก็ไมขอเข้ามาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาอีกเดี๋ยวเราขอเข้ามาอีกเดี๋ยวเราอีกเราขอเข้ามาอีกแบบนี้เขาว่าเหมือนลิงหลอกเจ้ามันไม่เป็นการสํารวมระมัด ร, ระวังอันนี้เราต้องระวังเหมือกันพวก ภูป๊า บ, บก็อาริยารีเยรประมาณเดนะภูป๊ปอาอาริยรเยประมาณเดนะมันเหมือนกับทาเล่นอันนี้เราพูดเป็นข้อคิดอ่าที่แท้จริงที่แท้จริงก็บางทีบางครั้งเราเระลึกยับยั้งไม่อยู่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงจริงระลึกได้โอ้ขอขอมาท่านอีกแล้วจะน้อ ย, ยเอาไม่อยู่ขอขอมาท่านอีกแล้วมันเป็นเรื่องไม่ดีไปเรื่อยๆการตั้งใจสำรวจระมัดระวัง ตั้งใจอดตั้งใจข่มตั้งใจทําสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอัน ถ, อถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เยี่ยมที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดคณะสงฆ์ทั้งหลายก็ต่างคนต่างอาโหสิกรรมให้อภัยไม่มีเวรไม่มีภัยต่อกันและกันไม่แต่พระเจ้าประสงค์ก็อาจจะไม่ใช่ว่าจะถูกตาต้องใจกับคณะสัตยาญาณยมอมคณะสงฆ์ก็มีเหตุควรบอกควรอาโหสิกรรม ก็ให้อโหสิกรรมมีเหตุควรบอกให้บอกอเพราะว่าวันนี้เป็นวันปว า, าาวารณาคราวาสกับคราวาสกับปวารณาตักเตือนกันได้บอกกันได้พระสงค์กับพระสงฆ์ก็ปวารณาบอกกล่าวตักเตือนกันได้ราาราารพระสงค์กับคราวาสคราวาสกับประสงค์ก็ขอเข้ามาแล้วกล่าวตักเตือนกันได้ขอให้เป็นไปตามเป็นไปชอบด้วยด้วยศีลด้วยธรรมแต่ถ้าเป็นการกลัน่นแกล้งกันแล้ว เป็นเป็นเหตุเป็นโทษเป็นเปลี่นเป็นภัยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันอต่อไปนี้ให้พรตั้งใจรับผ่อนนะรับผ่อเสร็จแล้วไปรับทานอาหารในครัวโรงครัวเราก็ที่นั่งรับทานน่าจะไม่พอดอกเพราะว่าเราไปทำอันนั้นมันเกะ ก, กะซะหน่อยนะได้คนละคนละพกคนละห่อนั่งรับทานกันตรงไหนก็ได้ก็แล้วกันนะ